โยโสสาริปุตตะอริยสาวกโกตถาคตเอกันตกะโตอภิปัสสนโนนะโสตถาคตวาตถาคตสาสนีวาคังเขยวาวิจิกิจชยาวาติสาริบุตอริยสาวกใดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคต ถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเขาย่อมไม่สงสัยหรือลังเลในตถาคตหรือคำสอนในตถาคตเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาอิญเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีทมบฟังเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันบางครั้งในทมฟังกับประชาชนนี่ รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจนี่เพราะว่ารู้สึกว่าปัญญาของข้าพเจ้าเนี่มันอ่อนคือมีปัญญาน้อยเพราะว่าในเอพิโซดที่ผ่านมาข้พาพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการได้ศรัทธาด้วยปัญญาใช่ไหมแม้แต่มาฟังตัวเองย้อนหลังดูแล้วพบว่าเอาว การที่จะแก้เรื่องศรัทธาด้วยปัญญาแล้วไม่พูดถึงปัญญาสามนี่โอ้ชื่อว่าแก้ไม่ถูกต้องสอนไม่ถูกสอนไม่ดีคือก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ครบถ้วนไงจึงรู้สึกว่าตัวเองมันปัญญาน้อยปัญญาอ่อนฉะนั้นวันนี้นะท่านฝั่งเรามาไคร้กรวดดำเราขึ้นปีใหม่แล้วเราทําสิ่งใหม่ๆกันบ้างทําสมาธิแบบลืมตา ใครกรุณในสิ่งที่ขพระเจ้าเนี่ยกำลังจะอธิบายไปว่าศรัทธายังไงได้ด้วยปัญญาสามอย่างคือปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิด ใ, นในกล้กรณุณตรวจสอบและปัญญาที่เกิดจากการภาวนาที่พูดนี่นะทุฟังไม่ได้โกรธนะแต่ว่างุดหงิดนิดหน่อยงุดงิดนี่คือสนิมสนิมหรือความมันทื่อมันไม่คมที่เกิดขึ้นที่มีดเนี่ย พอรอยตัดมันกรีดขีดลงไปมันจะมีเบี้ยวเบี้ยวนิดหนึ่งนะมันจะกินเนื้อสิ่งที่เรากรีดตัดไปสักนิดหนึ่งนะเนี่ยมันจึงทำให้ต้องมาเทศใหม่เรื่องนี้มาอธิบายถึงศรัท ธ, ธาที่จะได้ด้วยปัญญาสามอย่างเรามาใกล้คุรนเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส บอกไว้กับพิสูจน์ทั้งหลายด้วยกับท่านพระสารีบุตรด้วยว่าศรัทธาของใครก็ตามจะต้องเป็นศรัทธาที่มีทัศนะคือมีความเห็นคือเห็นด้วยตาด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นมูลเป็นเหตุอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นศรัทธาที่มัน่นคงคือมีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียว ก็มาถึงพระพุทธเจ้านั้นในเอพิโซดที่แล้วได้อธิบายไปแล้วนะว่าไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้านะแต่หมายถึงการตรัสรู้แล้วถ้าพูดถึงศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ต้องหมายถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยตามในยะที่ว่าไปในเอพิโซดที่แล้วนะัก้ก็สําเร็จประโยชน์ในตัวของเขาเองแล้วพูดถึงระบบแห่งการพ้นทุกข์คือพุทธโทธตัมโมสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคล ในที่นี้จะต้องได้ด้วยปัญญาท่านบอกว่าโดยส่วนเดียวนี่คือจะไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนอะไรจะมาหมุนมาพัดพายุมากระหน่ำซ้ำเติมซัดตีเสาที่ปักลงไปลึกในดินอย่างมั่นคงเป็นเสาหินทั้งแทง้งยาวส6บหอกเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งอก ฝังลงไปในดินลึกแปดซอกผมดินตบดินให้แน่นโผล่ขึ้นมาแปดสอกนี้อะไรจะมาทำให้หวันไหวสทานสถือนไม่ได้เลยเป็นหนึ่งเลยเป็นเอกเลยโดยส่วนเดียวเลยจะให้เรามีสัทธาประเภทนี้ได้ถ่านผฟังต้องเกิดด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้มีสามอย่าง ปัญญาที่เกิดจากการฟังเรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการใคร์กรวนคิดพิจารณาเรียกว่าจินตมยาปัญญาและปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาเห็นแจ้งด้วยตัวเองจริงๆเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะให้เกิดปัญญาทั้งสามระดับได้ดังบ่าว เรามาไกรกลวนทำความเข้าใจไปในแต่ละข้อแต่ละประเด็นเขาสูงสุดก่อนเลยเลยข้ามาที่ว่าภาวนามยญญปั ญ, ญาเห็นยังไงมีหลายๆครั้งนะท่านผู้ฟังดูเคสของท่านปราสาตรีบุตรพระพุทธเจ้ า, าถามนะว่าเออสาวรีบุตรเธอเชื่อไหมว่าอินทรีย์ห้านี่มันจะทําให้ตรัสรู้ทําได้ไม่เชื่อท่านบอกโอยพิสูจ์ทั้งหลายนี่พรวนนาขึ้นเลยโอย้ท่านแก่ผิดแล้ว ทำไมอินสีห์จะทำให้ตรัสรู้ไม่ได้ได้สิแต่ท่านแก่ดังนี้ดูฟังว่าคือเชื่อเนี่ยไม่ได้ว่าเชื่อตามพระพุทธเจ้านะแต่เพราะว่าท่านทำปฏิบัติอินสีห์ของท่านแล้วแล้วมันบรรลุทาได้จริงๆริงนะสบตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ท่านจะอธิบายว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสาตน นี่คือที่ว่าอยู่ในระดับโซดาบันนะโซดาบันก็ต้องมีภาวนา ม, มยาปัญญาในการที่ว่ายังไม่ได้เห็นนิพพานเลยโดยตรงหรอกแต่ว่ารู้ถึงจิตใจตนเองว่ามันมีความมั่นคงระดับไหนจะปิดศีได้ไหมโดยไม่ต้องมาเชื่อฟังหรือว่าอาศัยการพิจิารณาแต่ในจิตใจของตัวเองมันรู้สึกได้เลยว่าโอ้ฉันจะปิดสีไม่ได้เลยกรณีโซดาบัน ห, Salvador, หรือกรณีอารหันนี่ก็โอ้ยนิพานเป็นยางไงเราจะเข้าใจเรื่องภาวนามยะปัญญาได้ทุกฝังเรามาไล่เรียงกันไปถึงว่าเอ๊ปัญญาที่ว่าจให้เกิดศรัทธาปัญญาสามอย่างเป็นยังไงสุดนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังฟังแล้วจึงเชื่อ เราไม่พูดเรื่องสตานะท่านฟังไม่ได้พูดเรื่องปัญญาถ้าพูดเรื่องปัญญาก็ต้องหมายถึงว่าจะทํำยังไงให้เกิดสต้าเพราะว่าอธิบายเรื่องปัญญาให้เกิดสต้าไปแล้วปัญญายัางไงนะนั่นคือฟังสมมุติเราฟังคนรุ่นก่อนก่อนเขาบอกว่านี่หนูนรกสวรรค์มีนะโอโเคครับโอเคครับเคคบชื่อเชื่อ นรกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้ทําไมก็ถึงยกเรื่องนรกสวรรค์ขึ้นมาโอเพราะคําสอนบอกไว้นี่ถ้าหนูไม่ทําตามนะแล้วทําผิดพลาดนะจะต้องไปตกนรกนะนรกนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น่ากลัวอย่างนี้อันตรายอย่างนี้โอ้กลัวกลั ว, ลวครับกลัวเอางั้นผมก็เชื่อก็ได้เพราะกลัวนรกเคยไปไหมไม่เคยอฟังเขาเอาแต่ว่านะหนูนะแตถ้าบอกว่า ทำดีตามคำสอนใช่ปะไปสวรรค์นนะสวรรค์ น, นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้สวยงามเลิศรุ่รังการสบายอย่างนี้โอ้สวรรค์ก็ดีสครับนี่ผมก็อยากไปเอราะงั้นผมตามตามตามตที่ว่าฟังเข้ามาเราเชื่อไปเนี้ยตัวเองไม่ได้เห็นเองแต่เกิดจากการฟังคนอื่นหรือว่าเป็นสุตมยะยปัญญาคือฟังแล้วก็เชื่อเพราะฉะนั้นมันก็อยู่เดียว่า ใครเอาข้อมูลนั้นมาบอกเราละ่ะเป็นคนที่ควรเชื่อควรฟังไหมควรฟังในที่นี้เพราะต้องให้เกิดปัญญาในขั้นแรกคือสุตตมยปัญญาแล้ให้เกิดความเชื่อในที่นี้คือสถางาบุคคลที่ควรจะเชื่อควรจะฟังนั่นก็คือคนที่เป็นบัณฑิตมีความรู้มีเจตนาดีนั่นก็คือเราจะใช้คำว่าเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งกัลายาณมิตรที่จะนำข้อมูลความรู้ที่ดีๆมาบอกเราแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เชื่อกัลายาณมิตรนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นหนังสือธรรมะก็ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เป็นครว่าที่จะมีอายุมากอายุน้อยกว่าเราก็ได้ทั้งนั้นรู้ดูข้อมูลแล้วให้เกิดกัลายาณธรรม จากกรลยนัมิตรนั้นธรรมะที่จะเกิดได้นั้นคือศรัทธาที่ว่ามาจากการฟังทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนอื่นมาบอกอีกล๋ล่ะเออนี่จริงๆมันเป็นงนี้นะเอา้ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอวันนรกเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้เพราะว่าทำเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้แหละตัวเหตุอย่างนั้นอย่างนี้มันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างงน้นเอาเลยเนี่ยบุคคลนั้นก็จึงเปลี่ยนความเชื่อละ โอ้ยเราถูกหลอกมาแล้นี่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยกิดไปอย่างนั้นอีกปเปลี่ยนความเชื่อเพราะได้ฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งอีกเอา้าที่ปเปลี่ยนความเชื่อนั้นก็รปะว่าปัญญาไมนไน้มันโกงไงฟังคนอื่นใหม่อีกก็ได้ความเชื่อใหม่อีกต่อไปความเชื่อที่คลอนแคลนแบบนี้ปเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนี้ คือจึงไม่ได้เป็นความเชื่อที่โดยส่วนเดียวสนใจก็นไมเอกันตะคโตอภิปสันโนแต่ว่าเป็นความเชื่อที่คลอนแคลนไปได้จากการฟังเรื่องอื่นมีจินตามญญัปัญญาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในขั้นแรกนี่ดูฟังเราจะบอกว่างมงายก็ได้นะคือคุณแบบยังไม่ได้ตรวจสอบนีงไม่อนะไรแล้วคุณก็เชื่อไปเลยนะเชื่อไปเลยถ้าเชื่อในเรื่องดีนะ มันก็ยังดีใช่ปะถ้าเชื่อในเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ดีละ่ะเพราะสมองของเราจริงๆตังแฟังมันไม่ได้จะแยกได้หรอกระหว่างความจริงหรือความไม่จริงคนที่หมายความว่าสมองนี่ก็รับข้อมูลมาจากทางต า, ง ท, างทางหูหรือทางลิ้นแล้วก็มาคิดอยู่ข้างในภายในด้วยคื อ, อย่างบางทีเราไปกินร้านอาหารที่เราเคยรับประทานมาก่อนเออมันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่ ไปกินครั้งแรกโอ้โน้ำลายสอแม่แต่พอกลับออกมาแล้วหลายเดือนต่อมาคิดว่าจะไปกินอีกน้ำลายมันก็สออีกทางนั้นที่ว่ายังไม่ได้กินเลยนะแค่นึกถึงเฉยๆือเรื่องนี้มันต้องไล่ไปตามลำดับอย่างนี้ท่าฟังว่าวัดมีคนเขาบอกเราว่าร้านอาหารร้านนี้มันอร่อยมากเลยโอเคเราได้ฟังมาคุณจะเชื่อไหมคุณจะเชื่อได้ก็ต้องเกิดจากสุตมยปัญญา ทำไมอ่ะก็ได้ฟังเขามาไงเขาเกิดความเชื่อนี้ได้ไงเพราะเขาไปกินมาเองจริงจริงเขาไปกินเองมาจริงจริงอาหารประเภทนั้นโดนลิ้นเข้าจริงจริงเขารู้สึกถึงว่ามันอร่อยจริงจริงเขาเชื่ออย่างนั้นจริงจริงเพราะว่าเขาได้ไปกินมาแล้วเห็นด้วยอะไรภาวนามายปัญญาสิ่งไม่เกิดศรัทธาในตัวคนนั้นเขาก็จึงมาบอกเราไง ภวนามายปัญญาของเขาเนี่ยจึงกลายมาเป็นสุดตมยปัญญาของเราถ้าเราจะเชื่อนะแต่เราไม่เชื่อเราก็ไม่มีปัญญาในการที่จะเห็นตามนั้นเราไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราเชื่อมันก็จะต้องเกิดจากสุดตมยาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังสิ่งเขาพูดมานั้นคุณจะเชื่อไหมละ่ะก็ฉันก็เชื่อก็ได้เชื่อได้เพราะมีสุดามายาปัญญา ที่ทพอไปถึงร้านนั้นจริงๆดูเมนูแล้วก็น่ากินดีนะไหนลองสั่งดูสั่งอาหารมาแต่อาหารที่เราสั่งมายังไม่มาใช่ปะ่ะเห็นโต๊ะข้างๆเนี่ยโอ้อาหารที่เขามาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันอร่อยอย่างนี้ดูคนก็กินอย่างนี้หน้าตาอาหารเป็นอย่างนี้จริงๆเออเริ่มแบบว่าใครกควนคิดไปตามเสียงภาพที่เห็นเออมันน่าจะอร่อยจริงๆะเนี่ย ความเชื่อที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่คือความเชื่อที่เกิดจากจินตัญญัติปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดใคร่กรวนด้วยตาด้วยหูมีเหตุผลต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้จึงเกิดความเชื่อว่าแม่มันน่าอร่อยจริงๆอันนี่นะย้าลงไปอีกจนกรทั่งว่าอาหารชนิดนั้นมาถึงที่โต๊ะเราเห็นเรียบร้อยคลุกเคล้าให้ดีใส่น้ําจิ้มให้นัว รับประทานเข้าไปโดนลิ้นครั้งแรกเคี้ยวอุมลุมอุมลุมในปากมันก็จึงดกิยความอร่อยขึ้นตามเซนส์ที่ได้จากลิ้นเชื่อเลยจริงว่าโอ้โหร้านนี้มันอร่อยจริงความเชื่อเนี่ยมาจากภาวนามยปัญญาเพราะว่าเป็นสภาวะที่คุณเห็นได้ด้วยตนเองอันนี้คือปัญญาสำคัญใช่ไมทีนี้พอคุณไปกินมาแล้วกลับมา ประมาณสักสองสเดือนเอออยากจะไปกินอีกแหมว่มาทั้งกินแล้วมันน้ำลายสอจริงๆเลยนะนัคือวันโน้นใช่ไหมผ่านมาแล้วเนี่แล้วในสมองเราคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั้นที่เราได้เกิดภาวนามยปัญญา น, นั้นแล้วเรามาคิดถึงอีกทีหนึ่งเนี่ยเออน้ำลายก็สอขึ้นมาอีกเอาทำไมเป็นยางนั้นนะเพราะว่าสมองมันไม่ได้จะแยกความจริงความจริงในที่นี้นะกับท่านหมายถึงสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเนี่ย จากอะไรที่เราคิดอยู่ในใจได้เพราะว่าที่คุณคิดอยู่ในใจอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนั้นก็จริงขึ้นมาทันทีตรงนี้จริงๆคำว่าจริงเนี่ยควรใช้คาว่าสัจจะไม่เป็นสัจจะของจิตใจเราของแต่ละบุคคลที่เกิดจากการคิดก็าไร้กรวนหรือว่าได้เห็นได้ยินจะเป็นทางในใจหรือทางตางหูจมูกลิ้นก็ตามสัจจะของบุคคล น, นั้นของบุคคล น, นั้น ก็เกิดขึ้นที่คนนั้นให้เขาเชื่ออย่างนั้นความเชื่อนั้นจึงทำให้เกิดเป็นสัจจกของเขาอย่างอย่างนี้ไม่ว่าสัจจากนั้นจะเกิดจากเสียงจากภาพที่คิดนึกขึ้นเอาในใจเป็นสัญญาหรือจากเสียงจากภาพที่เห็นจากภายนอกจริงๆเพราะฉะนั้นความจริงในจิตใจของเรามันอยู่ที่ว่าตัวเราจะเห็นอย่างไรในความคิดในใจหรือในรูปที่เห็นใน ที่ได้ดมแล้วเกิดรวบรวมเป็นสัจจะความจริงแล้วเชื่อไปตรงนั้นความเชื่อนั่ น, นคือศรัทธาที่ว่าเกิดได้จากการฟังคนอื่นก็พูดก็ได้นี่คือในกันแรกแล้วศรัทธาที่เกิดจากสุตตะมยักปัญญาคือฟังคนอื่นแล้วก็เชื่อเลยเนี่ยนะตามประเด็นที่ยกไว้เมื่อสักครู่ก็คือมีได้ ว, ว่าใครเป็นคนบอกคนนั้นเป็นกัลายาณมิตร ให้เกิดกัลยาณธรรมไหมช่วให้ศรัทธาที่จะเกิดจากสุตตมัยปัญญาบางทีมันคลอนแคลนได้เปลี่ยนแปลงได้ไปเป็นอย่างอื่นได้จะเรียกว่าเป็นงมงายก็ว่าได้เพราะว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบคุณไม่ได้คิดใกรใกรวนคุณฟังเอาแล้วก็เชื่อเลยโดยที่บาง ท, ทีเรื่องที่เชื่อถ้ามันดีหรือว่างม ง, งายในเชิงบวกเรื่องที่เชื่อนั้นถ้ามัน เป็นเรื่องที่ไม่ดีของงมงายในเชิงลบงมงายในเชิงบวกงมงายในเชิงลบหรือพระพุทธเจ้าท่างเคยแยกแยะเอาไว้นะดูฟังเรื่องของศรัทธาว่าถ้าคนที่ไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องให้เขาเกรงกลัวต่อบาปหรือเจะลาะอายต่อบาปเขาจะทําชั่วทําผิดทําอะไรได้ทุกอย่างเลยนะอันนี้คือไม่ดีมากๆเลย หรือดีขึ้นมาหน่อยก็คือยังมีความเชื่อในสิ่งที่แม้ถึงสิ่งนั้นจะไม่ค่อยถูกต้องนะเช่นยังมีความเชื่อในภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งวันนี้จะเป็นที่พึ่งของเรามีความเชื่อในรูปปั้นรูปเคารพว่าสิ่งนี้จะไปให้ฉันพ้นทุกได้เอาต้นไม้เอารูปปั้นเป็นที่พึ่งที่เราลือกถึงมันจะไปได้ไง งมงายเนก็ ย, ยังงมงายเชิงบวกไงบรางอะไรเพราะว่าเกายังจะมีความละอายความกลัวต่อบาปที่ว่าจะเอ๊ะทำชั่วละอมไม่ทนะําน่าเดี๋ยวพระเจ้าว่าหน่าเดี๋ยวสิ่งนี้จะลงโทษนะ น, น่าแต่ในที่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นพุทธโธธรรมโสมโกะก็ตามนะแล้วเชื่อไปในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ งม <ropolis> งาย e แบบนี้น yeah. ี่ย si ังงมงายเชิงบวกนะยังดีนะทุกฟังเพราะว่าเกิดจากสุตตมยปัญญาแต่คนที่มันไม่เชื่ออะไรเลยนะคำว่าไม่เชื่ออะไรเลยหมายความว่าคุณไม่มีที่พึ่งอะไรเลยนะคือก็เชื่อในความที่มันไม่ต้องมีศาสนาก็ได้ไม่ต้องมีนรกสวรรค์ก็ได้ไอ้ที่ว่าไม่เชื่อไม่เชื่อก็คือเชื่อในเรื่องที่มันไม่มีนรกสวรรค์นั่นแหละเชื่อในเรื่องที่ว่าฉันไม่เชื่ออะไรเลยนั่นแหละ ใหความเชื่อแบบนี้เป็นความงมงายแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มันไม่มีจริงหรือเปล่าเหมือนคนเขาจะไปหาในทะเลว่ามีปลาวานจริงไหมเขาก็เลยเอาขันใบหนึ่งทำมาฟังเดินไปที่ชายหาดตักน้ําทะเลมาหาดูซิว่าในขันเนี่ยมันจะมีปลาวานอะไรต่างๆอยู่ในนี้จริงไหมหาไม่เจอก็เลยเชื่อใจแน่นอนว่ามันไม่มีงมงายสิ้นดี แล้วถ้าสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันไม่มีเลยนะก็คือไม่เชื่อใช่ไหมเขามักจะพูดกันคือไม่เชื่อก็คือเชื่อว่าไม่มีนั่นแหละแล้วลงมือทําบาปทํากรรมทําสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนี่คืองมงายเชิอองลบแหละสิกบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ทันสมัยเพราะว่าจะมาตรวจสอบไม่เชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ว่ากันตามมาหรือความคิดที่ว่าตัวเองมีจินแต่ไม่ยัปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นมิจฉาปัญญาก็ได้ท่านผู้ฟัง ยานคือปัญญาไงสมมายานะก็มีมิจฉายานะก็มีปัญญาที่เป็นไปนในเชิงลบเราจะบอกว่าความเชื่อคือ ค, อความงมงายใช่ไหมเชิงบวกนี่ก็ยังเชื่ออะไรที่จะให้มีเิริอตปปาได้บ้างความเชือ่อคือความงมงายที่เป็นไปในเชิงลบคุณก็มีความเชื่อว่ามันไม่จริงไม่เชื่อพอเชื่อว่าไม่เชื่อมันจะจริง สามารถทำบาปได้ทุกอย่างเป็นความโง่ง่าเชิงลบธรรมบุฟังที่พูดประเด็นนี้ประบาดคนที่มีที่พึ่งที่ยังแม้ไม่ถูกต้องยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรเลยไม่เชื่ออะไรเลยวันนี้ธรรมบุฟังต้องใช้ปัญญาอย่างมากนะในการแยกแยะสับให้เละสับให้ละเอียดด้วยปัญญาของเราให้เห็นแยกแยะโอเชื่อ ศรัทธาอันหนึ่งพอเป็นสาระก็อย่างหนึ่งอย่างคนที่เขาเชื่อเรื่องวัตถุมงคลเชื่อเรื่องสิ่งของศักดิ์สิทธิธ์อภินิหารนั่นนี่เรื่องอะไรที่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยท่านชอบเชื่อดีนะักเหลือเชื่อใช่ไหมละ่ะเออเชื่อเว้ออ้าวนี่โง่หรือฉลาดเออก็ยังดีนะ่ะดีกว่าคนไม่เชื่ออะไรเลยคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยก็เชื่อมันไม่มีอะไรเลยกงม ง, งายเหมือนกันเพราะก็ไม่ได้ตรวจสอบได้ เชิงบวกก็มีเชิงลบก็มีแยกแยะเดี ว, ว่าเชื่อที่มันยังไม่ดียังดีเพราะว่าอยู่น้อยยังรู้สึกมีอยู่ริ อ, อุตปาได้บ้างด้วยศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่เกิดจากสุตมยปัญญาอันเป็นเพียงการฟังขามาข้ามาจึงทาให้เกิดพิธีกรรมอะไรต่างๆที่อาจจะดูว่างมงายก็ได้เช่นการเส้นสวงวงสวง ทพระเจ้าแห่งต้นไม้หรือว่าการอ้อนวอนขอร้องการสวดมนต์สวดพรอ้ อ, อนวอนหรือจะพิธีกรรมอะไรต่างๆอีกมากมายหลายแบบเป็นพิธีกรรมที่สมัยนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นพิธีกรรมที่งมงายเอองมงายเชิงบวกมันยังดีไงเพราะมันยังหักห้ามสิ่งที่เป็นอกุศลแลรทำได้บ้างก็ทําพิธีต่างๆเหล่านั้นเพื่ออะไรมีศรัทธามันก็ให้เกิดความเพียรไงคือกําลังใจ เพื่อให้มีกำลังใจเรื่องอะไรที่มันน่าเหลือเชื่อแล้วเชื่อได้กำลังใจมันมากำลังใจมาแล้วมันก็ยังดีนะให้เกิดการหักห้ามใจไว้ได้บ้างเราจะพัฒนาให้มีปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปไม่งมง่ายแต่ประกอบด้วยปัญญาปัญญาระดับนั้นจะต้องเป็นปัญญาขั้นที่สองดูงฟังเรียกว่าจินตพยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจกากการค่อยๆกลัวนพิจารณาไม่ใช่เพียงแค่ฟังตามๆกันมาแล้วก็เชื่อเลยแต่พิจารณาพิจารณาอย่างไงอะไรที่เรียกว่าเราต้องมาคิดนึกจินตะจินตะนี่คือการคิดนึกพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่ามีมังสกสูตรตั้มบังในมัชฌิมานิกายข้าพเจ้าเคยนํามาอ่านในตัมฟังฟังแล้ววิธีการตรวจสอบ ตวดูว่าจะให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้านะสำหรับคนที่ไม่มียานอย่างรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์จริงไหมเป็นสัมมาสัมพุทธโทธจริงไหมตั้มบัวฝังลองนึกย้อนกลับไปในสมัยพุทธการนะพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแสดงปตมเทศนาแล้วแสดงโอวาทปาทิโมกแล้ว ข่าวนี่กช็ชนไปอย่างมากว่าชมพูทวีปเลยว่านี่โอ้พระตาตาคนรอวยขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองอิทัตาทากะกัโตโลเกวันโนนะถือว่าสวยไปเลยนะฟังมาแล้วถ้าไม่เชื่อใช่ปะ่ะหรือไม่จริงหรอกหรอกงม ง, งายไปเป็นแบบอื่นแต่ถ้าฟังแล้วเชื่อเชื่อพระอะไรเชื่อพระมีสุตตมยปัญญาต้นนั่นเองฟังก็มา เราถึงเชื่ออะเออเอาสมมุติแล้วยังไงอ่ะเขาบอกให้บูชาอี่องนี้ทำไปก็บอกให้ใช้เครื่องพิธีกรรมแบบนี้อ่ทํำไปอาจจะงมงายได้อาจจะมีพิธีกรร ม, มอื่นๆต่างๆได้เราจะพัฒนาขึ้นนี่ท่านบอกไว้บอกให้ทําการตรวจสอบดูวิมังสาตรวจสอบดูดูด้วยอะไรอ่ะดูด้วยตาดูด้วยหูเนี่ยแหละคือสิ่งเหล่านี้เป็นอินพุตมาให้เกิดปัญญา แต่บอกว่าวิธีการทดสอบนั้นเป็นสิ่งผู้ที่มีปัญญากใรกล้ควนแต่ไม่มียาน เ, เรื่องรู้จิตแห่งผู้อื่นจะพึ่งทำการตรวจสอบเพื่อให้รู้ว่าทาโตาคตโโลเก อ, อุปนโนเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมปโดจริงไหมพระทตาโคตที่อุบัติขึ้นแล้วนี่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นพระบุตรชาจริงหรือเปล่าตรวจสอบคือหมายถึงใรกล้ควรด้วย ปัญญาจินตมยปัญญาจึงเกิดจากการวิมังสารนั่นเองท่านผู้ฟังประเด็นที่เราจะต้องมาพูดถึงในการขึานหน้านั่นเงก็งคือว่าเอราวคุณคิดในสมองกับญาณทัศนะที่มันเกิดขึ้นจากการรู้จิตแห่งผู้อื่นมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันเอาตรงเจ้าจินตมยปัญญานี่ก่อนแล้วว่าเราจะให้เกิดการคิดไคร่กรวนด้วยปัญญา สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าวิมังสาแล้วให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสที่ไม่ได้จากตัวบุคคลแต่จากอะไรล่ะถ้าประรพรติชอบก็การตรัสรู้ใช่ถ้าพระธรรมก็คือระบบแห่งการปฏิบัติที่คุณทุกได้จริงถ้าประสงค์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอาในพระพุทธเจ้านี่แหละเอาเป็นหลักขึ้นก่อนดูสิด้วยตาด้วยหูนะมีไหมพามก็เรื่องเศร้าหมองมีไหมเห็นด้วยตาด้วยหูมีไหมท่านพูดอะไรมาเราได้ยินบ้าท่านทำอะไรเราเห็นบ้าเออแต่คนนั้นทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มีอะไรที่เศร้าหมองไหมเออไม่มีนี่ก็ที่หนึ่งขรรชองนะเวลาเราจะวิมังษาไตรตรองคร้นให้คนด้วยปัญญา คิดนั่นแหละดูนะั่นแหละข้อที่สองคือมีธรรมะอันผ่องแผ้วไหมดูด้วยตาฟังด้วยหูของเราเนี่ยจะตรวจสอบใครสักคนในคนหนึ่งก็ว่าตรวจสอบนะคือหมายถึงพิจารณาใคร้กลวนด้วยปัญญาคือวิมังษาในธรามอันผ่องแผ้วเขามีไหมบุคคลนั้นมีธรามันผ่องแผ้วไหมเออมีอยู่ต่อไปข้อที่สามอะ ที่เขาไม่มีธรรมันเศร้าหมองที่เขามีธรรมันผ่องแพ้วเนี่ยเขามีมาชั่วการช้านานหรือว่าเพิ่งจะมีมาในบัดนี้เออมีมานานช้านานแล้วนะเอางั้นตอไปอต้องพิจารณาข้อที่สต่อไปว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้มาช้านานแล้วไม่เศร้าหมอมีความผ่องแพ้วแล้วถ้ามียศมีเกียรติกรชอนแล้วมีโทษบางอย่างไหม เช่นถ้ามีลาบสการะมากขึ้นแล้วมียศมีตำแหน่งแล้มีชื่อเสียงกระ จ, จายไปแล้วคือบางคนบ่มีสิ่งนี้แล้วโทษมันกลับกำเริบขึ้นมาความผ่องแพ้วมันเศร้ามองหายไปเออแต่ถ้าพิจนารณาดูแล้วว่าเออแม้แต่มียศแล้วมีชื่อเสียงมีเกียกรติกรชนแล้วโทษเหล่านั้นความเศร้าหมองก็ไม่มีไม่ได้เพิ่มขึ้นความผ่องแพ้วก็ยังรักษาไว้ได้ดีอยู่ เอ อ, องี้ดีนะแล้วดูต่อไปอีกข้อดีอนะ่ดูฝังว่าท่านเป็นผู้ที่ยินดีในสิ่งที่มีภัยหรือไม่หมายความว่าจะทำภัยให้เกิดขึ้นกับเราไหมภัยนี้เช่นอะไรชักชวนฆ่าสัตว์ก็ได้ชักชวนให้ล่วงปริยาผู้อื่นก็ได้ชักชวนให้ถือเอาทรัพย์อันเจ้ของไม่ได้ให้ก็ได้นี่ทำอย่างนี้สิไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยครั้งเดียวนิดหน่อย ชักชวนให้โกโหกก็ได้อย่าไปบอกคนอื่นนะหรือให้บอกอย่างนี้นะเฮ่ยชักชวนอย่างนี้แต่ว่าเขายินดีในสิ่งที่มีภัยนะเนี่ยอา้าวทำไมถึงถ้าจะยินดีในสิ่งที่มีภยัยเพราะว่าเสพการประมีราคาไงแต่ถ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่มีภยัยคือไม่ไปชักชวนว่าเออโกหกเธ อ, อพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนั้นหรือไม่ชักชวนให้ร่วมปรยาสามีของผู้อื่นชักชวนให้อย่าทำ ชักชวนให้อย่าดื่มเหล้าไม่ชักชวนให้โกหกหรือฆ่าสัตว์แต่ชักชวนให้ไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์เออไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นภัยนะเพราะอะไรดูได้แน่ว่าไม่เสพกามไงปราศจากราคะไงเพราะสิ้นราคะาไงว่าปราศจากจากสิ้นนี่คือหมายถึงว่าอาจจะในระดับพื้นผิวของจิตนะอาจะอาจจะยังไม่หมดแต่ว่าถ้าไม่ชักชวนในสิ่งที่ไม่ดี โอเคพอดีมีได้แล้วเราจะดูข้อนี้นะทุกฝั่งมันต้องดูทั้งตอนที่อยู่คนเดียวตอนที่อยู่สองคนแล้วก็ตอนที่อยู่มากคนเพราะว่าบางคนตอนที่อยู่มากๆหลายคนพูดดีอยู่แต่พอตอนอยู่สองคนสามคนเออพูดอีกแบบหนึ่งนะพออยู่กับอีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้คือความไม่สะอาดจะดูได้ด้วยถ้อยคํา ว่าถ้อยคำเมื่อสนทนากันตัวต่วตัวพูดอย่างหนึ่งสามคนอย่างหนึ่งหลายคนอย่างหนึ่งไหมนั่นคือไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดแต่ถ้าหลายคนก็พูดอย่างนี้สองสมคนก็พูดอย่างนี้ด้วยกันก็พูดแค่นี้เหมือนกันเลยอ่านี่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนสะอาดจะรู้ข้อนี้ไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆ น, นะทุกฝังต้องใช้เวลานา น, านจะใช้เวลานิดหน่อยไม่ได้ แล้วต้องทำการข้อใกควรคือมนสิการในที่นี้คือไตรตรองตรวจสอบด้วยปัญญาในที่นี่หมายถึงวิมังสาตรวจสอบดูแล้วว่าท่านเป็นผู้มีคำพูดที่ไม่มีภยัยดูแล้วก็พราะปรจจาการปรรจาราคานั่นเองเข้าไปถามด้วยเอา้าเพราะว่าเพียงลำพังดูใช้เวลาพอสมควร มันตรงได้มีโอกาสสอบถามวันนี้ทำไมท่านทาอย่างนี้เพราะอย่างนางนี้หรือยังไงยังไงเพราะว่าการมนุษย์การเต็มฟังดิด ม, มีหลายชั้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อพระพริชเจ้าปรินิพพานไปแล้วนี่คือตัวพระพุทธเจ้าเนี่ท่านศีลเนี้ยเป๊ะความบริสุทธิ์เนี้ยเป๊ะการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี้ยเป๊ะแต่ว่าสาวกในรุ่นหลังภายหลังต่อมาคือบางทีมันก็ไม่ได้เนี้ยเป๊ไง ความเศร้ามองความผ่องแผ้วคือืางที่อาจจะมีนิดๆหน่นอยๆโผล่ออกมาเวลามีชื่อเสียงมีอะไรแล้วมันก็ต้องอาศัยการยืนยันการสอบถามเพื่อให้มั่นใจด้วยการไตร่ตรองไกรกรวนแบบนี้คือด้วยปัญญาที่เกิดจากการคิดไกรกรวนเรียกว่าจินตมยพปัญญาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าวิมังสาคือการตรวจสอบ ทั้งด้วยตาด้วยหูและเข้าไปสอบถามศรัทธาแบบนี้ทัมโมฝังพ ร, ระพุโธเจ้าบอกว่าเป็นศรัทธาที่ถูกชักโยงมาด้วยตามกระบวนการของจินตมยัญปัญญาจากการไตรตรองไตรกลุ่นด้วยวิมังสาท่านบอกว่าเป็นศรัทธาที่มีมูลรากคำว่ามูลรากนี่คือมีระบบมีเหตุผลเหตุผลคุณไล่เรียงมาอย่างานี้ไงคือมันมีมูล จะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพูดถึงกันมันต้องมีเหตุมีมูลเหตุมูลแบบนี้นี่มีฐานที่ตั้งเรียกว่าเป็นศรัทธาที่มีอาการอาการระวติศรัทธาเป็นศรัทธาที่มีทัศนะมีเหตุมีฐานเป็นศรัทธาที่มั่นคงคือทัศนะมูลิกาศรัทธาทันหาศรัทธา ศรัทธาที่เป็นจินตามายาปัญญาก็จึงดีขึ้นมาดีกว่าสุตมยปัญญาอันนี้คือท่านเรียกว่าอยู่ในระดับโสดาปติมักแล้วไอเรื่องความเชื่อที่อยู่ในระดับจินตามายาปัญญานี้นะทุกฝังเรายังสามารถนํามาใช้ในเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเราก็ได้ด้วยอย่างกรณีของนักกีฬาที่เขาฝึกท่าทางที่มันโลดโผนดีลังกาเขาจะต้องจินตนาการก่อน คือตอนแรกเขาก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักยิมนาสติกนักกระโดดเหวหรืออะไรก็าตามที่มันต้องทําท่ายากๆทําลายสถิติที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนให้มันจะทําได้จริงหรือไม่น่าเชื่อนะตอนนี้คื อ, คอคยังไม่เชื่อใช่ไหมยังไม่มีศรัทธายังไม่มั่นใจพี่ฟังเข้ามาก็ออยังเออนะอาจจะทําได้ก็ได้ก็ต้องมาคิดไงแล้วจะทํายังไงอ่ะ ก็หมุนตัวอย่างนี้ก็โดดท่านี้ตีลังกายอย่างนี้ก่อนที่คุณจะทําได้เนี่ยคุณต้องคิดในหัวก่อนเนี่ยคิดซ้ําๆคิดย่ำๆคิดซ้ําๆคิดย้่ำๆจินตามียาปัญญาเนีานฟัง จ, จินตาจินตานี่คือการคิดนึกตไตรตรองก็งไรก็รวนด้วยปัญญาคือวิมังษาเอชฉันจะพัฒนาไปยังไงเห็นภาพอยู่ในใจตัวนี้สมองที่ท่านฟังที่กับประชาบอกไว้เมือนสุคร ว, ว่ามันจึงแยกแยะไม่ได้นะ่ะ ระวังว่าที่คุณคิดในสมองหรือว่าคุณเห็นภาพนั้นจริงๆหรือว่าคุณได้กลิ่นลิ้มรสเหมือนจริงๆเพราะว่ามันก็เข้ามาในสมองหมดเข้ามาสู่ในช่องทางใจก็หมดถ้าใจเราคิดไปยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นลหละเราคิดว่าจริงมันก็จริงเราคิดว่าไม่จริงความไม่จริงมันก็จริงขึ้นมาจริงตรงนี้คือสัจจะที่เกิดขึ้นในจิตของเราแต่การที่ว่าไม่ว่าจะ เห็นจริงๆหรือไม่เห็นจริงๆเป็นเพียงความคิดนึกเฉยๆได้หมดมันจึงเป็นความจริงขึ้นมาคือมั่นใจขึ้นมาความมั่นใจนั่นคือศรัทธาหรือในอีกเคสหนึ่งท่าฟังสามารถนํำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าการตรวจสอบวิมังสาไตรยตรองใกร้ครัวเไม่ต้องดูในรายละเอียดตามนายัยยะดูอย่างของวีมังสกัสสูตรเนี่นะท่านให้ไว้ถึง6ข้อ7ข้อด้วยกัน คือรายละเอียดเจาะลงไปเจาะลงไปเจาะลงไปคิดลงไปพิจารณาลงไป1 2ึ่งสองห้ายังไงคุณได้แน่นอนความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นมาอย่างคนที่ก็มีความประมาในการพูดที่หน้าชุมชนอย่าง น, นงี้ยนะทุกถ้าคุณเขียนเป็นสคริปต์แล้วคุณจําได้เลยนะรายละเอียดทุกอย่างหนึ่งสองสจดเป็นประเดน็นเอาไว้เออมันจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น มันใจเพิ่มขึ้นเพรอะไรนะเพราะคุณจินตนาการมาไว้หมดแล้วไงเป็นจินตามยะปัญปญาไว้แล้วไงจดไวเป็นสคริปต์แล้วเป็นหัวข้อบ้างเป็นรายละเอียดต่อคําต่อคําบ้างพูดไปอ่านไปหรือว่าพูดจากที่เราจําได้ข้อนี้ข้อนี้มันจึงทําได้ขึ้นมาไงความมั่นใจนี้จึงเกิดจากจินตามยะปัญปญาได้หรือคนที่ทําธุรกิจอย่างนี้ก็ได้ทําฝังคนที่ทําธุรกิจเราจะทำไปยังไงอะ คุต้องมีแผนดำเนินการการธุรกิจก็หรือว่า business plan รายการหนึ่งเป็นอย่างนี้รายการ2เป็นอย่างนี้ทำข้อนี้ขายของสิ่งนี้เซลเป็นอย่างนี้ operation เป็นอย่างนี้นี่ก็มีรายละเอียด1 2 3 4งสามเออความมั่นใจมันจึงมีมาได้เพราะรายละเอียดเพราะหัวข้อต่างต่างที่นำมาทำการพิจารณายิ่งรายละเอียดยิ่งมาก ความมั่นใจยิ่งมาได้จินตพญปัญญ า, ญญาแต่ถึงกระนั้นลำฟังก็ยังเป็นแค่มารกเป็นแค่ทางมัรกคือทางหมายถึงโซดาปฏิมก์ไงมันมีช่องที่ให้หลอยไหลเลื่อนไปอย่างอื่นได้ผิดเพี้ยนถูกซัดพัดกระแทกไปได้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราปวดหัวแล้วเราก็ไปหาหมอ ไปหาหมอบอกว่าคุณหมอครับโอ้ดิฉันนี่ปวดหัวมากๆเลยเอ๊หมอก็จึงเห็นแล้วโอ้ใช่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่รู้แต่เป็นดิฉันแล้วก็ผมนี่มันก็คงจะปวดหัวอยู่ละอะปวดหัวแล้วทำไงหมอก็จ่ายายาให้หมอก็อธิบายเลยนะนี่นะคุณปวดหัวนะเพราะเชื้อโรคนี้มันเข้าไปในผิวหนังแล้วมันก็ไปอยู่ที่หัวนะหัวจึงคุณปวดอย่างนี้ตรวจสอบมาแล้วอา้าแล้วก็เอายานี้ไปกินนะ กินหนึ่งเม็ดตอนเช้ากินหนึ่งเม็ดตอนเย็นส่วนยานี้เอาไปทานะทาตรงขมับอย่างนี้อ่ะไปได้คุณฟังมาจากหมอว่ายาเนี้ยกินแล้วจะหายจะได้ไงก็เอาไปขึ้นหิ่งบูชาละขึ้นหิ่งบูชาเลยหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นทาตรงขมับกราบสามครั้งกราบกราบกราบแล้วก็ หอ้หมอเราเนี่เก่งมากๆเลยสุดยอดไปเที่ยวบอกคนอื่นด้วยนะหมอผมนี่โโทวดท่านมีความรู้อธิบายได้ว่ามันมีเชื้อเข้าไปในสมองกินน้่นนะี่นะนี่ผมว่าขึ้นทิ้งบูชาเรียบร้อยแล้วนี่มันคือแบบว่างมงายสิ้นดีคือม ง, ง, งายสิ้นดีมันก็ยังม ง, ง, งายเชิงบวกนะเอายังก็ไปหากะเลนมิรแต่มันก็แค่สุดตาปัญาปัญญ า, ญญาฟังก็มาโอเคไม่มีหนาดี แต่รูโพช่องรูบวมันคือยังไม่หายจากโรคนะีหรือในกรณีนี้คุณก็ใจเหตุผลไงว่าเชื่อโรคนี้มันชื่อนี้มันทําปฏิกิริยากันมันก็มีสารนี้ออกมาอยู่ในร่างกายแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาวอย่างนี้เส้นหัวหวมก็จึงปวดปวดเนี่เพราะมันบวมอย่างนี้มีสารนี้หลั่งออกมาเข้าใจเหตุผลใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้กินนะ่ะ หรือว่าเอายาทามากินที่เขาให้ทาตรงกระมับนี่เอาไปแต้มที่ลิ้นเออไอที่เ้าให้กินหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นเอามันทั้งสองเม็ดแล้วมาติดตรงกระมับว่ามันจะหายไหมล่ะก็เพราะว่าภาวนาไมยปัญญายังไม่เกิดรู้เหตุผลอยู่อะไรอยู่แต่ไม่ได้กินเองโจนกระตังบัดเอาเข้าปากดูไอสองเม็ดนั่นนะเช้าหนึ่งนะเย็นหนึ่งนะแล้วไอที่ทาเนี่ยเอาตรงกระมับนะอย่าไปทาที่ตา อย่าปตาทีลิ้นท้ายมันถูกที่นั่นจึงจะค่อยเป็นภาวนามยปัญญาจากโสดาปติมัรค์คุณเดินตามทางไตรตรองใค์ไรครวรนและมีศรัท ธ, ธาเต็มที่หมุนไปได้แต่มันมีรูโบ โ, อโยอาจจะหมุนได้อาจจะกลับกําเริบได้ไม่ได้เป็นไปโดยส่วนเดียวได้ผูกกระนำสัตว์แล้วสุญญ์จะมั่นคงอยู่แต่เมื่อที่มีบางครั้งบางคราวที่มันหนักจริงๆอ่ะหนีเลยเป็นเลย จึงต้องมีปัญญาระดับที่สคือภาวนามยปัญญาที่จะให้เกิดศรัทธาได้ภาวนามยปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการภาวนาภาวนามาจากคาว่าภาวิตาหมายถึงการพัฒนาพัฒนาหมายถึงการทำจากที่มันยังไม่มีให้มีจากที่มันยังไม่ดีให้ดีด้วยในจิตใจของเราไม่ใช่แค่คิดนะึก เป็นจินตะไม่ใช่แค่ฟังเป็นสุตตะแต่ที่เอาฟังมาน้่ย น, นะสุตตะนั่นนะมาคิดนึกเป็นจินตะจากที่คิดนึกเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงยาคุณไปหาหมอรับมาแล้วไม่ใช่แค่ขึ้นหิ่งบูชาไม่ใช่แค่อธิบายเหตุผลได้แต่ต้องกินด้วยอย่ากินผิดด้วยนะกินให้มันถูกด้วยกินให้มันถูกที่ทาให้มันถูกทาง จะกระทำตรงนี้ให้เป็นสภาวะของตนได้เป็นภาวะได้จึงเป็นภาวนามมยปัญญาภาวนามมยปัญญาเกิดขึ้นได้ตรงไหนนะบุฟังตนบอกกับพระสารีบที่อย่างนี้บอกว่าศรัทธาของใครที่มั่นคงเลื่อมใสยอย่างยิ่งจะไม่สงสัยในตถาคตหรือคำสอนของตถาคตเลยคาสั้นๆแค่ตรงนี้นะี่ที่ยกมาตอนต้นของรายการนะบุฟัง จะเป็นตัวที่อธิบายได้ว่าเราไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสด า, ศาแม้แต่ตัวพระศาสด า, าเองเราก็ไม่ต้เชื่อตามท่านบั่นเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะเราได้ทำแล้วไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในกุศลธรรมไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะทำอันตรายได้จริงหรือไม่เห็นเต็มที่ ด้วยอะไรปาวนะาเมยปัญญาไปยังไงอ่อพอฟังแล้วเออลองใช้สุดตมามยปัญญาดูคิดไปไรองใคร่คุณอมนกนาจะเมกเซนนะแล้ว<ม>ไงลงมือทําวิริยะเพราะบ้านลำพังเพียงเกิดสุดตมามยปัญญาฟังแล้วมางทีมันยังงมงายได้เอาบูชาบูชาไม่ได้ลงมือกินนะหรือคิดใคร่ครวญแล้วบางทีมันก็ยังไม่ลงมือได้มีผลมีความเชื่อแล้วนะ่ะบางทีกินผิดเม็ด เรากินใ้มันถูกคือวิริยะถูกนี่ถูกยังไงลงมือทำทำความเพียรคือปรารบกุศลและอกุศลถึงพร้อมด้วยกุศลธละทำทั้งหลายมีกำลังมีความบากบั่นมีความเพียรอย่างนี้คิดว่าลงมือทำคือมีกำลังใจคือทำจริงแน่จริงวิริยะแปลว่าความกล้าทั้วังแปลว่าการลงมือทาคือมีกาลังใจ ทำจริงแน่ๆจริงอะไรละอะกุศลจาให้อกุศลมีมีอยู่ต้องละที่ยังไม่มีให้มาพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลขึ้นที่ยังไม่มีทำไม่มีที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้ปรารบความเพียรด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลที่มีความเพียรปรารบแล้วจะสามารถระลึกถึงสิ่งที่ต้องทำได้ ในที่นี้คือกุศลสามารถที่จะไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ทำไม่ควรทำนะอย่าไปคิดนึกถึงมันนั่นคืออกุศลการระลึกถึงได้ในกุศลไม่ระลึกถึงได้ในอกุศลความระลึกได้นั้นจึงเป็นสติมีความระลึกแล้วมีความระลึกแล้วในกุศลอกุศลด้วยอาการอย่างนี้เราก็มีศรัทธานะด้วยจินตามยปัญญา มีการปรารบความเพียนพยายามทำจริงแน่แนจริงตั้งสติไว้โดยชอบแล้วจะสามารถที่จะได้ซึ่งวสคารมคือความตั้งมั่นแห่งจิตคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวจิตเป็นอารมณ์อันเดียวจะเกิดขึ้นได้จากการที่คุณกําจัดอากุศลธรรมออกไปจากการที่คุณมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งเนะู้ฟัง คุณจะทำความเปลี่ยนคือวิริยะคุณจะทำการระลึกได้คือสติได้ต้องมีสต่าย์ใช่ไหมประกอบกันแล้วถึงระดับหนึ่งมันจะสลัดคืนซึ่งอารมณ์อันเป็นกามเป็นอกุศลธรรมทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นโวสักคารมจิตมันจะไม่สงบได้ยังไงจิตจะต้องสงบลง ความรวมลงความระ ง, งับกันของจิตนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิตั้งมันงม่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้พอเรามีความเชื่อมีความลงใจมีความเริ่มใสมีความมั่นใจในคำสอนใชปนั่นคือศรัทธาใช่ั้มเอาระดับแบบว่าคิดเอาก็ได้นะจินตบุญญายปัญญามียผลอยู่ท่านพูดมาเนี่ยอลองมือทาดูวิรยิยะใช่ม ด้วยกำลังใจด้วยการทำจริงนแน่าจริงกำจัดอกุศลให้เกิดกุศลอันนั้นคือวิริยะระเลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลได้นั่นคือสติมีสติตั้งไว้รวมกับวิริยะแล้วเกิดสมาธิโวสคารมขึ้นจิตรวมเป็นรมเดียวจะสามารถรู้ชัดได้อย่างนี้ว่าสังสารวัฏนี่คือการหมุนมนไปของสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไป มีสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเริ่มต้นตรงไหนก็ไม่รู้จะไปสุดจบได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะมันวนไปงี้เกิดขึ้นดับไปดับไปเกิดขึ้นเกิดขึ้นดับไปดับไปเกิดขึ้นหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอเพราะมันเป็นวงกลมเกิดแล้วก็ดับดับมีเหตุแล้วก็เกิดเหตุเกิดมันดับไปมันก็ดับความเป็นเหตุผลของมันเป็นอย่างนี้ ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันความไม่รู้ว่าทำมมันเป็นอย่างนี้ประเหตุผลเป็นอย่างงี้ความไม่รู้นั้นคืออวิชามันจึงกั้นไว้เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นเราก็จึงมาสนใจใส่ใ จ, ใจยึดถือในมันนั่นแหละคือตันหามีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ทำให้จิตเรเลยมันแล่นวนหมุนคิดอยู่แต่เรื่องนี้สงบแล้วื่อทีก็ไม่สงบ ไม่สงบแล้วมางทีงก็สงบความสงบก็เกิดขึ้นได้ดับไปได้มีศีลแล้มบางทีก็ไม่มีศีลไม่มีศีลแล้วบางีก็มีศีลศีลก็เกิดขึ้นได้ดับได้เวทนาก็เกิดได้ดับได้ตัวเราเองถ็เกิดดับมาตลอดเวลาจนถึงปัตนี้เกิดดับเวแล้วไม่รู้กย่รอบโอ้ยมันเป็นความวนไปเวียนมาแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ดับสทัทีดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับ ดับดบเกิดเดมันจะไปบอกว่าดับได้ไงสนใจว่ามันไม่ ร, ระงับเทตีนะเห็นด้วยปัญญาได้ไหมคือคนที่เข้าสมาธิบ่อ ย, อยๆจะสามารถเห็นได้ว่าเออสมาธิบางทีก็ดับไปบางทีก็เกิดขึ้นเห็นด้วยอะไรทั้งฟังตรงนี้จึงเห็นด้วยปัญญาเห็นยังไงนะความรู้คือวิชาวิชาความรู้ย่อมต้องเกิดขึ้นว่าเออมันเป็นอย่างงี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหะ ที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างงี้ก็มันเป็นอย่างงี้ละทําไมมันเป็นอย่างงี้นี่นคืออวิชชาใช่ไหมเอาก็มันเป็นอย่างนี้ละนี่นคือวิชาไง่านฟังจะดับอวิชชาได้วิชาต้องเกิดขึ้นคือความรู้ความดับไม่มีเหลือแห่งอวิชชาอันเป็นกองแห่งความเมื่อ น, นั้นมีอยู่ด้วย วิชาคือความรู้ว่ามันเกิดได้ดับได้มันเป็นอย่างนี้ของมันแหละนั่ น, นแหละท่านฟังจะเป็นบทที่สงบจะเป็นบทที่ประณีตคือสันติวรบดกล้าวคือธรรมะอันเป็นความจางคลายแห่งตนาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความเย็นคือนิพพานเห็นจุดนี้นะท่านฟังคือเห็นด้วยปัญญา ดูได้ด้วยปัญญาความรู้คือวิชาที่เกิดขึ้นนี้นั้นนั่นนะ่ะเรือว่าเป็นปัญญาของบุคคลนั้นนะเกิดขึ้นที่ไหนจิตใจเราปัญญาอะไรเนี่ยภาวนามายปัญญาตามเหตุอย่างนี้ด้วยกระบวนการอย่างนี้เกิดจากความเพียรสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือภาวนามายปัญญา จากที่คิดเอานึกเอากิจรณ า, นาเอาจิจิตต์มายปัญญาจะให้มาเป็นภาวนามายปัญญาได้ใส่ลงบายความเพี่ยนทำจริงแน่แน่จริงไหมวิริยะกล้าเผชิญหน้ากําจัดกิเลสคือตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วปัฏฐหิตตวาซึ่งความเพี่ยนด้วยการอย่าง น, นี้มีสติไหมคือรเลึกแล้วรเลึกแล้วสริตวาสริตวา ซึ่งสติด้วยอาการอย่างนี้จิตเป็นโวสัการวมเป็นอรมณันเดียวไหมตั้งมันงม่นแล้วตั้งมั่นแล้วคือสมาธาหิโตวาสมาธาหิตตวาซึ่งสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้จริงเห็นจริงมีวิชาในความที่เรไม่รู้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เห็นความเป็นเหตุเห็นผลของมันวันเป็นอย่างนี้ละคือมีความรู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้ว คือประชานิทวาประชานิตวาซึ่งปัญญาด้วยอาการอย่างนี้ปัญญานี้เป็นภาวนามิยปัญญานะจะทำให้เกิดความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสอย่างยิ่งว่าโอ้ยธรรมะอะไรก็ตามที่เราได้เคยฟังได้เคยได้ยินได้เคยตรตรองใครกลวรตรายตรองใครกวนี่คือจินตะนะได้ยินมาคือสุตนะใช่ไหม บัดนี้นี่บัดนี้นี่เราผูกต้องธรรมะเหล่านั้นด้วยนามกายของเราแล้วแทงตลอดแจ้งซึ่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาแล้วเห็นอยู่ด้วยตั้งอยู่ในธรรมดายด้วยความเชื่อแบบนี้ชื่อว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาที่ว่าคำสอนแห่งศาสดาคือฟังเราน่ะก็คือสุดตัปั ญ, ญานา อาเขาอธิบายมาอย่างงี้งั้นกุราจารมีหัธกถาให้พิจารณาอย่างนี้น่ะ ก, ก็จินตะนาะเมื่อดีเราก็คิดเองแต่เราถูกต้องให้อยู่ในจิตใจซึ่งธรรมะเหล่านั้นที่เราได้ยินมาด้วยปัญญานั้คือภาวนามยปัญญาใช่ปะ่ะความมั่นใจความมั่นใจความเลื่อมใสเชื่อมั่นเลยมันจะเกิดขึ้นนั่นคือ ศรัทธาที่ฝังศรัทธาที่เกิดแบบนี้เรียกว่าเป็นศรัทธาที่แบบมีมูลรากแล้มีมูลรากมาแล้วใช่ไหมจากการพิจารณาไตรรุแล้วลงมือทําลงมือทาเกิดเป็นภาวนามยปัญญาศรัทธาแบบเนี้จึงเป็นศรัทธาที่เอกันตกะโตคือมีโดยส่วนเดียวเท่านั้นจะไม่เป็นไปอย่างอื่นได้นะจะไม่ลังเลคือกังขา จะไม่สงสัยคือวิจิกิจฉาเลยคือเป็นโสดาปฏิผลเลวยเอาถ้าอย่างน้อยๆที่สุดนะเป็นโสดาปฏิผลไไล่ไปจนถึงอารัตผลได้อยู่ที่ว่าเห็นอะไรปัญญาที่เห็นที่เห็นนี่ที่พูดมาเมื่อสักครู่นะี่คือระดับอาราตผลแต่ถ้าเป็นระดับโสดาปฏิผลดูคุณก็จะเห็นว่าอ๋ออริยสัจนี่แม้มันเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นะแต่ฉันได้กําหนดรู้แล้วนะอือในเรื่องทุก อริยสัจเรื่องสมุทัยนี่ควรละนะแล้วฉันก็ได้ละแล้วนะอริยสัจเรื่องนี้โรดนี่ควรทำไม่แจ้งนะฉันก็ได้ทําให้แจ้งแล้วนะอริยสัจเรื่องมรรคนี่คือฉันก็ได้ปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติ ถ, ถึงไหนปฏิบัติ ถ, ถึงในระดับที่สามารถละสักกายทิ่ถีได้เอาสั่งโยชนับเรื่องราดามนเป็นตัววัดก็ได้แต่ในระดับโซดาบันเพราะว่าถ้าเห็นสังสารวัตว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไป ความรู้สึกความเห็นทิฏฐิที่ว่าจะเป็นตัวเรากวรามันจะไม่มีจะดับไปได้สักยะทิฏฐิความกังขาความสงสัยในพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของท่านต้องเชื่อตามผู้อื่นมันจะไม่มีนั่นคือวิชิกิจฉาคุณจะลาไปได้จะมีศรัทธาอันมั่นคงไม่ไวันวายไม่คลอนแกลนเป็นอจลัศรัทธาเป็นศรัทธาโดยส่วนเดียวไม่จะแบ่งส่วนว่าเดือศรัทธาพระพุทธเจ้าเท่านี้ เดี๋ยวศรัทธาต้นไม้เท่านี้ศรัทธารูปเหรียญเท่านี้แบ่งๆ่งส่วนกันไปน้อยพระพุทธเจ้าการตรัสรู้มากหน่อยให้คนอื่นส่วนน้อยนอยไม่ๆแอบสุดส่วนเดียวอย่างเดียวในระบบคืคอพุทโทธธรรมโมสังโฆนั่นคือกำจัดวิจิกิจาวไปได้การปฏิบัติการทำอะไรนะทำฝังด้วยปัญญามันจะไม่งมงายนะ้ความม ง, ง, งายเป็นศีลัตปะปรมาต ความไม่เข้าใจเหตุผลถึงพร้อมกระทำไปทําไมมันจะถูกกําจัดออกไปได้จะเป็นผู้ที่ไม่งมงายการบูชาการอะไรทําด้วยความเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นี่เพราะเหตุอย่างนี้นี่มีความเข้าใจในข้อปฏิวัติในศีลในรสก็กําจัดศีลละพัตตประมาต์ไปได้กาจัดสามอย่างได้นี้เป็นโซดาปฏิผลหรือถ้าคุณจะไล่อย่างอื่นได้ด้วยเอาเช่นกามาราฆาปฏิฆา ก็เป็นนาการมีผลหรือถ้าละเรื่องร้ายรัดทุกอย่างได้หมดเลยตามกรณีที่ว่าคุณให้เห็นความจางคลายดับไปไม่เหลือของอวิชชาเห็นความจางคลายดับไปของตันหาเป็นความเย็นเป็นนิพพานนั่นจะกําจัดอีกเรื่องร้ายรัดเบื้องสูงอีกได้ด้วยก็เป็นอารัตผลคนที่มีความเชื่อในระดับ เรบุคคลไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งในขั้นผลนี่นะทั้งสีขั้นนี่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอาจาราสศัทธาละศรัทธาด้วยภาวนามยปัญญาศรัทธาจากภาวนามยปัญญาจึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่กร่อนแคลนไม่งอนเงันศรัทธาแบบนี้สิท่ผู้ฟังที่เกิดจากภาวนามยปัญญามันถึงจะเป็นศรัทธาที่ดี ศรัทธาได้ด้วยปัญญาสามอย่างจึงมีมาด้วยประการอย่างนี้ตํามวงใครควรพิจารณาไปตามนะปัญญาเรามันจะคมปัญญาเราจะเพิ่มสนิมที่ติดอยู่ที่คมมีเนะี่ยมันจะลอกออกงายไปเวลาเฉือนเวลาตัดลงไปแล้วมันจะเป็นรอยเรียบๆคมๆ ม, มันจะไม่เจ็บมากมันจะซึ้งๆมันจะนุ่มๆข้าพเจ้านะ บางทีเมื่อกี้ใครกรวนท่านฟังเ อ, อ้ยเฮ้ยจะไม่ปัญญาเรามันถึงจะบอกว่าให้มันมีมากได้นะคือการที่เรารู้ว่าเราอ่อนตรงไหนเราโง่ตรงไหนความรู้นั่นคือปัญญาแล้วมีหน้าอะไรท่านฟังเขาถึงให้เอาคนที่มีปัญญาน้อยมาเทศให้คนมีปัญญาเขาถึงให้คนที่เคยมีศรัทธาน้อยมาเทศบอกสอนให้คนมีศรัทธา อะไรก็ตามตุ๊บฟังศรัทธาอันใดที่ข้าพเจ้ามีปัญญาอันใดที่ข้าพเ้ามีข้าพเาขอมอบศรัทธานั้นปัญญานั้นให้ได้มาฟังนั้นได้มีส่วนแห่งศรัทธาให้มีส่วนแห่งปัญญาด้วยเดินช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับตุ๊บฟังเป็นประจำในทุกมณังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6กโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donai.so.co ข้าพเจ้าประมาฮาไพบูลอาพี่ปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร